สิกขาบทที่9ว่าได้การเที่ยวจาริกไปในพรรษาเรื่องภิกษุณีหลายรูป969สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณาพาระเวรวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกุงราชครึกครั้งนั้นพวกภิกษุณีพากันเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาคนทั้งหลายตำหนีประนามพลธนาว่า ชไ น, นพวกภิกษุณีจึงเที่ยวไปภายในพรรษาเหยียบย่ําของเขียวและหญ้าเบียดเบียนชีวิตซึ่งมียินสีเดียวทําลายสัตว์เล็กน้อยเป็นจํานวนมากเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตําหนิพระนามโพลธ น, นาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิพระนามโพลธ น, นาว่าชไ น, นพวกภิกษุณีจึงเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ พวกิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ